แต่ยังไม่จบแค่นี้เอผมมีปัญหาจกถามนะครับตั้งเป็นคําถามสีข้อนะทาความสา ม, มารถตอบได้เลยบางข้ออาจจะได้อ่าจจะต้องช่วยกันตอบหลายรูปถึงจะตอบได้อย่างนี้นะครับก็สา ม, มารถช่วยกันได้ครับถ้านึกไม่ออกจริงๆค่อยเปิดหนังสือดูอย่างเี้ยเป็นคําถามนะครับอเออคำถามเราเรียนมาทั้งหมดนะตามที่เราเรียนมานครับไม่มีที่เราไม่เรียนไม่มีหรอก ไม่มี น, อน่องเลยจะกที่เรียนมา <c oughs> ส่วนใหญ่ก็คือจะตามแบบที่ว่าไปนะครับอยู่ที่ว่ามันเป็นการทบทสอนศึกษาด้วยนะว่าในศึกษาเรียนไปแล้วนะครับจำอะไรได้บ้างไปทบทวนกันมากน้อยแค่ไหนอย่างนี้นะมันจะเป็นเครื่องที่สูจน์ตอนที่ถามปัญหาแหละนะครับเอาแค่สิบข้อนะใครต้องการไปเอาคําถามเนี่ยไปดูไปทวที่หลังก็สามารถทำได้นะครับมาลองในหะนังสือผมนะ ถามเลยนะครับอข้อหนึ่งะะถามว่าสีเนี่ยได้เชื่อปาฏิโมกเพราะมีความหมายว่าอย่างไรถ้าว่าความหมายเนี่ยที่บอกว่าประเสริฐและวิสันเที่บาลถูกแล้วนะคะรับต่างความหมายนะถูกแล้วแต่เนี่ยเพราะเหตุ น, นะครับเหตุนชนันนะถึงได้เชื่อว่าปาฏิโมกถ้าถามวิธีมัน้องตั้งถามถ า, มถามนี่นะสีได้เชื่อวปาฏิโมกเพราะเหตุอะไรน้องตั้งคำถามอย่างนี้นะคร mm ับ hmm. ก็เพราะเหตุที่นะครับ ยังหมู่คนผู้รักษาสีนี่แหละนะครับให้พ้นจากภัยใช่ไหมแล้วก็พ้นจากภัยมีการติดเตียนตัวเป็นต้นนะครับและพ้นจากทุกทุกอะไรก็ทุกในสังสารวัตถุสารทั้งง น, นะครับทุกในอาบาเป็นต้นใช่นหมครับนี่นะง่ายๆว่าสีที่ทํามู่คนผู้รักษาเนี่ยให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลาทั้งปวง น, นะครับนี่เลยนะสีนี่แหละชื่อว่าปาจิโมะ น, นะครับ พ่อปาฏิบวตาผู allora. yeah. ้รักษาโมกขาดคว่าทำให้พ้นมนรวมกันก็เลยได้เป็นปฏิโมกข์ขาดแล้ว่าสีที่ทำผู้รักษาให้พ้นจากทุกภัยนะครับทั้งหลายข้อสองเราถามว่าอันตรายสิบอย่างที่ทำให้สูตรปฏิโมกย่อได้มีอะไรบ้างพักช่วยกะต่องครับพระราชาแสด็จมารูบอ๋ออะไรโจร โรามาปล้อนคนมากาคนมากาไปไหม่ไฟไมู้ร่วมครับใกล้ตายมีสุป่วยใกล้ตายผีเข้าพิสูจ์ครับสัตว์ร้านนี่ครับมันจำมูงูมาใี่ครับ อันตรายต่อพมจันทร์ในสุดท้ายนะมีเขาได้อ่านะครับพ้วยไฟทีนะอันตรายสิบอย่างนะครับก็คืออะไรนอกตอนแรกนะผมจดเอาไว้พระอาทิตย์เดดมาง่ายๆนะจลกลุ่นไฟไหม้น้ําท่วมนะครับน้ำท่วมก็อะไรอ่าสัตว์ร้ายนะครับอย่างคนมามากไม่เรียวก็ได้นะแั่ไหนครับคนมามาก ผีเข้าพิสูจมีสัตว์ร้ายมามีมูเข้ามาพิสูจป่วยก็จะได้นไครัแล้วก็อันตรายต่อภูมจันทร์สิบอย่างนะครับต่อไปนะครับถามว่าหนึ่งปีมีกี่อุโบสถครั บ, บอุโบสถที่เท่าไหร่ของทุรดูเป็นวานสิ บ, บสี่ค่ำ นี่นเป็นคำถามแรกก่อนหนึ่งปีมีกี่โบสถครับหนีวสี่ี่สิบโบสถนะครับบสถที่จะไหลเป็นโบสถวันสี่ข่่่คร่บ่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ี่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่ี่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ไม่มีนิมิกับนิมขาเนี่ย่สมากที่มีคือเป็นกระทกันเป็นสาทไม่ได้ขารยกสิมามีบัใช่มครับไม่มีนิมเป็นยังไงไม่มีนมตเป็นยังงอาตุลที่ไม่มีนิมิก่อนครับเขจะถามว่าอไม่มีนิมิกับนิมีขาดเนี่ยตัดกันยังไงครับ่มาทีีนมซไม่ได้มได้ดีไปไม่มีการร้างนิมิเลยใ่ไมครับอยู่นีก็ไปสมมติเลยใช่ไหมครชครับอันนี้ไม่มีนิมิ ที่มีนี่มีขาครับที่มีมขาเพราะว่าเราถักมันไม่ครบรอกก็คือไม่ได้ถักสามอันเต่าเดิมอีกโอค่ะครับคือเพราะเราทักจัดทักไม่ได้ทักให้มันครบลอกครับเราทักอีกทีนึ่งอย่างเช่นมีสีทิศเนี่ยเราทักทิ่แรกแล้วก็มาที่สองมาที่สามมาที่สี่พอมาที่สี่แล้วไม่ยอมกลับมาที่หนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งครับที่มีก็เลยขาดไม่เชื่อมติดกันต้องนะครับ นี่มีแปดอย่างคืออะไรบ้างครับก็มีจมปลวกต้นไม้น้ำรับน้ำถนนบ้านเมืองอะไรนี่ครับถนนทางนทาง้วก็น้ำาี่เมีบอ่น้ำาี่เมอก้ําครับภูเขาครับภูเขาแล้วก็ก้อนหินก้อนหินนี่เอาเอาใหม่นะเอาใหม่ เอาใหม่ถ้าเอาเอาป่าก็แล้วกัน ป, ป่าไม้ไมต้นไม้ไมแม่น้ำนะ<น>สังข์งครูครับจอมปลัวภูวเาขาลูกหินแล้วก็ถนนถน น, นข้อแปดแล้วใช่ไหมครับเนี่ยนครับถามว่าสห้า์ครบแม่น้ำมีลักษณะอย่างไรที่ใช้ทำเป็นสีมาธรรมาชาติได้ ข้าวน้ําไหลต่อสืบยืนดูผลและน้ําน้ํามากขนาดไหนครั บ, หรบเห ย, เยบบ<อ>ี่ยบเฉ บ, บงพิสุณีใช่ไหมครับเหยียบเฉบงพิสุณีแค่นี้สองนี้นครับนี่ข้าวเป็นนี้กล้องข้าวนี่แล้วก็สา ม, มารถใช้ทำลูกศิมาธรรมชาติทำผลงานกรรมกันได้ครับต่อไปการทําประสุทธิที่อุโบโสถนะครับของพิสุทธิ์สามรูปกับสองรูปมัต่างกันยังไงครับ ก็การครัไม่ต้องครับนะครับต่างกันอย่างนี้นะครับคือสารูปต้องมีการตั้งเงอนติ่ด้วยสองลูปก็มันต้องตั้งเงอนบอกปริสูตรที่กันได้เลบนะครับถูกต้องนะครับต่อไปนะครับเจ็ดนะครับการมอบฉันทะและปริสทตรที่แต่ละอย่างมีประโยชน์อย่างไรอ้าวนี่นรเพิ่งนใ้ท่านทำ้ปริสูตรทำกรตอบได้เลยนเรื่องก่อนถ้าอ๋อแต่ละอย่างกอนนะ อย่างเช่นถามนึงปริศุธ์ที่ก่อนการมอบปริสุทธิ์นีน่มีเกะโยวอย่างไรครับการมอบปริศุทธิคือทำให้โมสสทำให้โมเสสทำให้มเสส โ, ส โ, สส โ, um, สโมเสสคือสงใน้ทำโมเสสได้ใช่ครับมเสสสำเร็จและก็อะไรครับถ้าเรียกบอกปริสุทธิ์แรกก็ถือว่าส่งก็ลงปฏิโมกสูตนปฏิโมกส์ลงโมเสสได้และก็ยังไงอีกครับ ทำบวญสดด้วยครับแล้วช er. ่อว่าทำบุญสดด้วยครับถูกต้องนะครับอันนี้ทีนี้การมอกสันท่าครับมันเกียวยังไงก็ทําให้บริสุทธิ์เลยครับทำให้บริสุทธิกรรมอย่างอื่ได้ด้วยใช่ไหมครับทําสังฆบวญสดก็ได้นะแล้วก็ทํากรรมอย่างอื่นก็ได้ด้วยครับแต่ถ้ามอบแต่สันท่าอย่างเดียวไม่ได้มอบปริสุทธิที่อันนี้จะเป็นยังไงครับพิสูจน์รูปนะมอบแต่สันท่าแล้วไม่ยอมมอบบริสุทธิ สงฆ์ทำอุโบสถนะลงลงสสำเร็จนะครับมอบฉันทะแต่ไม่ได้มอบบริสทที่สงฆ์ทำอโบสถสำเร็จนะครับก็ี่ครับพิสูจน์ที่ทำโบส์สำเร็จนะครับแต่แต่ว่าคนอที่ิสู์ที่บอกทธันทอย่างเียแต่แต่ว่าไม่บอกบริสุทธิ์นี่ขึงนมาถึงว่าเขายังมีควาอยู่ไม่ไ้ทำเสร็จได้ชื่อว่าไม่ได้ทำอุโบสถนะครับจะพ่อลูกนั้นท่า แต่ทรงก็ทํากรรมสำเร็จครับแต่กรรมสำเร็จครับแต่ว่าท่านเห็ว่าไม่ได้ทำบุญสุดท่านอาจารครับเพราะว่าเขามองสัำคัญในการทำศาสากรรมเี่นะครับที่แต่รูปนั้น่ะชื่อว่าไม่ได้ทำบุญสุครับทีนี้ถามว่าโอในผู้ผ่าเมื่อกี้เนี่ยอาการที่ต้องอธิบัติหกอยางมีอะไรบ้างครับแรงการตอมด้วยไม่ละอายคุณนิยานะครับ ไม่รู้สงสัยใะสิ่งทำเพิ่มสติใช่ไหมครับสันนี้ ส, สำคัญอะไรนะสําคัญในสิ่งที่ไม่ไม่ควรว่าควรครับสําคัญในสิ่งที่ควรว่าไม่ควรครับแล้วก็อะไรอีกข้อว่าทั้งเผือครบแล้วใ้ไ่ไหมครบนะครับครบนะครับอือได้นะครับ ต่อไปอุปกรณ์อุปกิจน่ะเป็นกิจที่ต้องทําก่อนสุปฏิโมนนี้ถามว่าต่างกันอย่างไรครับต่างอย่างนี้ครับอุปกรณ์คือการปฏิบัติลมโูโสดครับเช่นถูกทาก่อนลงรูโสดครับแต่อุปกรณคือทำในทำในขณะที่ลงรูโสดแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยก็ทําก่อนสุปฏิโมนั่นเอะครับแต่ว่ามันจะมีแง่มุมอะไรที่มันต่างกันซะหน่อย อุปกรณ์ไม่ต้องพร้อมคือสองต้องสอบก่อนใช่ไหมครับนี่คืออุปกรทตอนไหนนะตอนที่สองยังไม่ได้ประชุมกันใช่ครับก็ทําุปกรณ์แต่ถ้าอุปกรณ์นี้ต้องรอส่งประชุมก่อนช่มแล้วทำนะตามจะตามปกติทำได้ครับ้าที่บอกว่านะเป็นกิจที่ควนทาก่อนบนสนุกกันแต่ก็ยัง ด้วยกี่ที่ว่างก็ได้นะแตกต่างด้วยตรงนี้ก็ได้ก็เห็นชัดแล้วว่าเนี่ยทําก่อนสองประชุมนะเป็นอันหนึ่งนะครับทําตอ น, นทําก่อนสองประชุมกับทาตอนที่สงประชุมไปแล้วกับสุดปฎิโมกข์ข้อสุดท้ายก็สิ่งเด่นเลยนะจงอธิบายที่ทีการผูกสีมาโดยสรุปในสมัยปัจจุบันมาว่าเราทําอะไรบ้างแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะไปสมมุติสีมาข้อวันหนึ่งครับนทีที่จะไม่มีสีมาทําังไงก่อนครับตั้งแรกเลย ขีดไปก่อนขีดไปก่อนกขี่อนขดปก่อนครับทีดทำตารางใช่ไมครับขีดไทำตาราไปก่อนสูตรสีลูกขีดได้เป็นย่างนี้ครับแล้วก็เทนันเลยครับทำตารางแล้วก็ขอเลยทำตาาไปครับครับที่สูตรในไหนมากครับในเขตในเขตในเข ใน lift, เอ่อเขในเข็หมูบ้านทั้งหมดใช่ไหมครับลูกที่มาได้ก็ให้มาเลยลูกที่มาไม่ได้ก็ให้มอบถ่านใช่ไหมครับแล้วก็ก็สวดเลยสวดเลยต้องไปดักดูทางเข้าหมู่บ้านใช่ไหมครับไปดักทางเข้าหมู่บ้านครับทางัตว์ไปด้วยและก็ทีนี้ก็สวดถอนเลยใช่ไหมครับไล่ไป ละตลาละตลาครับถ้าที่ไม่ได้เข้าบรรางก็ต้องทำยังไงครับต้องมอบชันท่าขาหรือปีนไต่ไปเลยครับทีนี้ถ้าถือว่าเราสวดถอนผู้ตราบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปครับก็ต้องถามนิมิตมนิมิตนะครับถามนิมิตกต้องไปหาก่อนใช่ไหมดูแบบว่าแต่ละทีแต่ละเป็นนิมิตใช่ไหมครับ และก็ทางนี anyway? any, <ind kum pe at> ้มีทางนี <arbeiten> ้ทำางนี้มีทางนี้มีทำยังไงครับก็ไตรปิสุภูธาเนี่ยอยู่ในในสิ่งมาในตารางแล้วก็ให้ถามผู้บอกให้ถามให้ให้ถามคนรอบขางคนี่ยถามคนอยู่ข้างในได้ไหมถามไม่ได้ต้องถามทำไมไม่ได้ครับทำไมถามคนอยู่เราจะอยู่ข้างในด้วยกันทั้งหมดอย่างนี้เนี่ย ไมีห้าครับไมห้าครับมาได้สองวิธีวิธีแรกเนะเราเดินเวียไปเนี่ยทุบนิมิตหลยใช่ไหมครับคนหนึ่งหนึอยู่ข้างในนะแต่ละที่นะครับแล้วก็เดินเวียไปทักแต่ละนิมิตแต่ละนิมิตแต่ละนิมิตะ น, มนะครับวิธีที่สองก็คือไม่องเดินไปไหนยอยู่ในสีม่านนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ขี้บอกไปเนี่ยที่นี้จะ อ, อะไรเป็นนิมิตเป็นนิมิตเป็นนิมิต น, น, นะครับแล้วก็ทักกลางลาง พอทั้งมีสเสร็จแล้วอน่างเช่ที่โบสเราตอนนั้นน่ะอาจารย์ให้ทําทั้งสองครั้งทั้งนี้มินนะคือท่านจะฝึกภาคด้วยนะครับให้ทำเหมือนกรรมีเป็นนะทั้งทั้งแล้วก็ทั้งอิ่งทํากันให้หัดทํากันนะครับผมก็ให้หัดทํำนะก่อนที่ทั้งนีอาจารย์ก็จะให้ตอนแรกคือเดินเวียนแหละเดินไปอยู่ข้างนอกนะครับและคนที่เป็นคนทั้งเข้าไปอยู่ข้างในสีมานะครับแล้วก็ถาเข้ามานะครับถาอะไรนะ กุรัติมายะทิสายะเอิมิตันทีนมันครับเทิดตะวันออกมีอะไรเป็นนิมิตปาร์าโนพันเตหลายคนตอบต้องตอบ น, นี้คนข้างนอกนะครับลหลายๆคนเชื่อตอบเลยก็ได้สรมเนงก็ได้โยก็ได้ตอบที่เมื่อตอบเสรคนที่อยู่ข้างในก็ท่านว่าท่านยังไงครับถ้าเป็นก้อนหินนะภาษาบานี้อันนี้ยากนะผู้ใหม่จะตามบานี้ก็ได้ เอโซปาซาโนนิมิตต่ำใช่ไครับ<อ>นะครับก้อนหินนั่นเป็นลิมิตครับ<อ>นี่นะครับอย่างนี้นะก้อนหินนั่นเป็นลิมิตเนี่ยแล้วก็ไล่ไปแต่ละทินแต่ะที่ก็ส่วนนี้ครับก็ออกจากเมื่อยออกจากตรงนี้ไม่ตรงนนหน้าแล้วก็เดินวียนไปนะครับแล้วก็เดินเวียนไปค้งอย่างนี้นนอพอโค้งลงสีทิศแล้วก็ต้องกลับมาท่านตอนทิศแรก อ, อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับหน้านะครับทิทางก็สอนะ